เผอไปรักเนี่ยมันก็จําอาการของความรักไม่ได้รู้ลักษณะนะรู้ว่าคนนี้น่ารักแล้วก็เก็บความรักในลักษณะของอนุสัยเอาไว้พอเห็นสิ่งที่น่ารักก็รักง่ายคนขี้โลภอยากได้อยากได้บ่อยสะสมความอยากอา้อยมากพอมีอะไรกระตุ้นหน้านาได้ขึ้นมาก็อยากอยากง่าย ใครขี้โกรธโกรธบ่อยสะสมความโกรธบ่อยก็เรียกมีอนุสัยของความโกรธมีอะไรสะกิดไม่พอใจนิดหนึงก็โกรธง่ายเราสะสมกิเลสมามันจึงมีกิเลสง่ายแต่ก็กลายเป็นต้นทุน <c oughs> กิเลสกลายเป็นต้นทุนที่เรามีอยู่นะเราไม่มีต้นทุนดีๆอื่นๆเลยก็เอาสิ่งนี้แหละเอามาใช้ เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาพุทธเจ้าบอกว่ามีราคะให้รู้ทันราคะที่เกิดขึ้นพอ ร, รู้ทันตอนเนี้มีสติแบบสติสติตัว น, นี้เป็นสติที่เกิดจากการฝึกของเราที่ตั้งใจดูตอนเห็นราคะเนี่ยมันไม่เห็นหน้าคนมันไม่ได้เห็นหน้าคุณปูไม่ได้เห็นหน้าคุณเจี๊ยบมันมเห็นหน้าคุณนิ่งๆนะชอบชื่อ น, นี้มากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินคนชื่อนี้ ชื่อดีนะชื่อดีเรามีราคะเกิดขึ้นเนี่ยนะเราไม่พอตอนรู้เนี่ยเราไม่ไดิรู้รู้หน้าเขาเราไปรู้อาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกทีหลังว่าเป็นราคะคือมีใจผูกพันมีใจอยากไปคุยอยากจะไปอยู่ด้วยอยากไปอยากให้เขาอยู่นานๆอยากให้เขากับเราอยู่กันอยู่กันนานๆอาการที่มันเหนียวแน่นกันอย่างเงี้ยเป็นราคะแต่ตอนนั้นอาจจะไม่สังเกตอาการอันนั้นก็ได้แต่จิตจําแล้ว เราอาจจะบรรยายอะไรไม่ได้เลยนะแต่จิตมันจําแล้วว่าราคะเป็นอย่างนี้ครั้งแรกที่เห็นว่าราคะเป็นอย่างนี้จิตจําไว้ครั้งหนึ่งแต่ไม่แม่นยังไม่แม่นนะเกิดราคะใหม่ให้ดูอีกเกิดราคะใหม่ให้ดูอีกเพราะมันยังไม่ชินเกิดโทสะก็ดูด้วยเพราะไม่แน่ว่าเราจะไปมีสติแบบอัตโนมัติกับราคะหรือกับโทสะหรือกับโมหะมันยังไม่แน่ มีอะไรสะสมได้ก็สะสมไปก่อนเห็นราคะก็เอาโทสะเกิดขึ้นก็ดูโทสะทุกครั้งที่เห็นโทสะนะจิตก็จะจําว่าโทสะเป็นอย่างนี้โทสะมีอาการที่เรียกว่าอยากจะทําลายอยากทําร้ายอยากจะผลักใสไม่อยากอยู่ด้วยมันอยู่กูก็หนีประมาณอย่างนี้โทสะมีลักษณะอันอนี้เราอาจจะยยังบรรยายไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่จิตจําแล้วจําไว้แล้วขณะหนึ่งแวบหนึ่ง แต่ยังไม่แม่นเพราะเห็นทีไรเดี๋ยวกูโกรธอีกโกรธได้นานด้วยนานเหมือนเดิมเหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกแล้วเราก็ดูอีกดูต่อไปเผลอนานก็ช่างรู้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นเพราะรู้ครั้งหนึ่งเราจิตมีโทสะเมื่อกี้นี้ระดับไปเนี่ยนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บตอนนี้เก็บเป็นสัญญาตอนมีกิเลสระดับไปเนี่ยมันเก็บเป็น อนุสัยแต่ตอนที่เห็นว่ามีราคะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างที่เกิดขึ้นโมหะคื้นหลงไปมีความฟุง้งซ่านมีความหดหูเนี่ย น, นะทุกครั้งที่รู้มันจะเก็บเป็นสัญญาว่าอ๋อราคะเป็นอย่างนี้อ๋อโทสะเป็นอย่างนี้อ๋อฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้จิตทํางานเองเราไม่ต้องสั่งเลยนะเมืันต้องลงโปรแกรมไม่ต้องโหลดแอปอะไรเลยมันทํางานเองทํางานนี้ว่าจําว่า ราคาเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้โมหะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็เผลอใหม่ให้มันเผลอไปเพราะมีปกติอย่างนี้อยู่ไม่ต้องไปบังคับแต่ถ้ามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะก็ทําสมถะเอาจิตมาอยู่กทัที่แล้วเราก็ทําได้แป๊บเดียวตามกํากลังของเราก็ให้มันแป๊บเดียวนั่นแหละแล้วพอมันเผลอไปรู้ฐานว่ามันเผลอเราได้พักนิดนึงนะจิตก็มีกําลังพอที่จะดูได้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีกิเลสอะไรเกิดขึ้น รู้ทันกิเลสดีกว่าให้มันนิ่งนิ่งแล้วไม่รู้พอ ร, รู้ทันกิเลสทีหนึ่งเนี่ยจิตได้สะสมความรู้อีกทีหนึ่งแต่ตอนที่มันนิ่งนิ่งเนี่ยจิตไม่ได้ความรู้อะไรเลยนิ่งทื่อทือแช่แช่แช่วับแช <c oughs> <c oughs> ่วับเข้าใจไหมให้มันหลงไปแล้วรู้ทันตอนนี้จิตฉลาดขึ้นทุกทีที่เห็นเพราะจิตจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมตรงนี้ได้สัญญาได้ความจา แต่ไม่ได้จำว่าหน้าใครไม่ได้จำว่าใครเลวแต่จำลักษณะของของจริงแท้ที่เรียกว่าเป็นปรมาตสัจจะว่าราคะเป็นอย่างนี้โทรศเป็นอย่างนี้โมหะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความจำและเป็นประสบการณ์ที่ควรจะให้จิตมันรู้เราไปหลงว่ารถคันนี้สวยหลงว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ดีเลยเนี่ยนะอยากได้นะเป็นรู้เรื่องข้างนอกเป็นเรื่องของสมมติ สาวกไอโฟนก็ว่า iPhone ดีสาวกซัมซุงก็ว่าซัมซุงดีไอคนปฏิเสธตรงของข้างก็บอกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งดี<笑><笑>ใช่ไหมสมมติมแต่เห็นแล้วชอบอยากได้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือราคากูสาวกนี้มันสาวกนั้นมันเถียงกันเกิดโทสะใครดีกว่าไม่รู้แต่เกิดโทสะโทสะเกิดขึ้นจริงตอนนี้เข้าใจไหมดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ และทุกครั้งที่เห็นของจริงจิตก็ได้ประสบการณ์ว่าโทรสะเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้จําไว้ด้วยจนกว่ามันจะพอตอนนี้เราต้องตั้งใจแบบมีสติแบบตั้งใจไปนะเป็นสติแบบยังไม่ใช่สติแบบอัตโนมัติ